ทัศวาระขัน 4, ธ์สี่อายตนะสองท่าสองอาหารสามินรี่แปดฌานมีองค์ห้ามรคมีองค์ห้าะละเจ็ดเหตสามภาษะหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตนาหนึ่งจิตหนึ่งเวทนาขันธ์หนึ่งสัญญาขันธ์หนึ่งสังขารขันธ์หนึ่งวิญญาณขันธ์หนึ่งมนายตนะหนึ่งมนินทรีหนึ่ง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 ภาวะที่จำได้ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัญญาขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนผัสสะเจตนาวิตกวิจาร์ปีติเอก ข, ะขะตาสตินีวิริยนินีสตินีสมาตินีปัญญีนีชีวิตินีสั ม, มาทิฏฐิสั ม, มาสังกัปปะสำ ม, มาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิสัทธาภละวิริยะภละสติภละสมาธิภละปัญญาภละหิริภละโอตปะภละอโลภะอโทสะอโมหะหนะพิชาอพยาบาทสัมมาทิฐิหิริโอตปะกายปัสจิติจิตปัสจิิกายละหุตาจิตตะะหุตากายมุทุตา จิตตมุทุตากายกรรมญตาจิตตกรรมญตากายปาคุณยตาจิตตปาคุณยตากายุชุ ก, กตาจิตตุชุ ก, กตาสติสัมปชัญญาสมถะวิปัสนาปาคาหะและอวิสเภปะหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม่อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขัน นีิชื่อว่าสังขารขันที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นวิญญาณขันท์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนจิตมโนมานัตหาไทยปันระมโนมนายตนะมนินสีวิญญาณวิญญาณขันท์และมโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิญญาณขันท์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าขันธ์สีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอายตนะสองที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไ น, นอายตนะสองคือมานายตนะและธรรมายตนะมานายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไ น, นจิตมโนมานัตหาไทยปันระมโนมานายตนะมณีสีวิญญาณวิญญาณขันธ์และมนโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกัน ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นธรรมายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้ชื่อว่าธรรมายตนะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอายตนะสองที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นธาสองที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน ธาตุสองคือมโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนจิตมโนมานัตหาไทยปันธระมโนมนายตนะมนินสีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นธรรมธาตุที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน เวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้ชื่อว่าธรรมท่าที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าท่าสองที่เกิดขึนาา้นในสมัยนั้นอาหารสามที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนอาหารสามคือภาษาหารมนโนสัญญเจตนาหารและวิญญาณอ า, าหานภาษาหานที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความกระทบ กิร awesome. eh. ิยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าภัสสาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมโนสัญเจตนาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามโนสัญเจตนาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นวิญญาณาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนจิต มโนมานัตหาไทยปันทระมะโนมนาญตนะมะนิณรีวิญญาณวิญญาณขันและมะโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิญญาณอาหารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอาหารสามที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอินซีแปดที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนอินรีแปดคือหนึ่ง สตินีสองวิริยินรีสามสตินีสี่สมาธินรีห้าปัญญีนียหกมนินรีเจ็สมณะสินรียปดชีวิตินรียสัตินรียที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความเชื่อกิริยาที่เชื่อความปรองใจเชื่อความเลื่อมใสยิ่งศรัทธาสัตินรีศรัทธาภละในสมัยนั้น นี้ชื่อว่าสัตทินรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นวิรีนรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นชนไหนการปรารกความเพียรทางใจความขมขมเนความบากบันความขนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความหมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระวิริยะ วิริยนินทรียวิริยะพละสัมมาวายามะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิริยินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสตินินทรียที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติปริยาที่ระลึกความทรงจําความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินินทรียสติพะละสมมาสติในสมัยนั้น นี้ชื่อว่าสตินซีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสมาธินซีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ซัดสายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ซัดสายสมถะสมาธินซี ส, สมาธิภละสำม า, ส, ส, า, มมาสมาธิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสมาธินซีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น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 นี้ชื่อว่าปัญญ hey. well, ีสี wow ทส <ers> ี่เกิดข settled, hinten, ึ <zum gives sti> ้นในสมัยนั้นมนินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนจิตมโนมานัตหาไทยปันธระมโนมนายตนะมนินสีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นโสมนัสสินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน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 อาการที่สืบเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตอินทรีย์แห่งสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเหล่านั้นนี้ชื่อว่าชีวิตอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอินทรีแปดที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นชาญมีองค์ห้าที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนชาญมีองค์ห้าคือหนึ่งวิตกสองวิจารณ์ สามปีติสี่สุขห้าเอกขะตาวิตกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สัมมาสังกัปปะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิตกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นวิจารณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน ความตรองความพิจารณาความตามพิจารณาความเข้าไปพิจารณาความที่จิตสืบต่ออารมณ์ความที่จิตเพ่งอารมณ์ในสมัยนั้นน้ชื่อว่าวิจารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นปีติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความอิ่มเอิบความปราโมชความยินดีอย่างยิ่งความบันเทิงความร่าเริงความเรื่นเริงความปลื้มใจความตื่นเต้น ความที่จิตชื่นชมยินดีในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าบีติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสุขที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็ น, นไนความสำราญทางใจความสุขทางใจความสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่สำราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นน้ชื่อว่าสุขที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น เอกระคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ชัดสายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ชัดสายสมุทะสมาธินีสมาธิภละสำมาสมาธิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเอกระคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวะธรรมนี้ชื่อว่าฌานมีองค์ห้าที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น มักมีองค์ห้าที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไ น, นมักมีองค์ห้าคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสองสัมมาสังกัปปะดำริชอบสสัมมาวายามะเพียรชอบสี่สัมมาสติระลึกชอบหสัมมาส ม, มาธิตั้งจิตมั่นชอบสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไ น, นปัญญากิริยาที่รู้ชัด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 ปัญญีสี่ปัญญาพละปัญญาเหมือนศาสตราปัญญาเหมือนประสาทความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัมมาสังกัปปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตรึก ความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สำมาสังกัปปะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสมาสังกัปปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสำมาวายามะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนการปรารกความเพียรทางใจความขมักเข่นความบาคบันความขนขวายความพยายาม ความอุสาหะความทนทานความเข้มแข็งความมั่นความมุ่ง ม, มั่นอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระวิริยะวิริณสีวิริยะภละสั ม, มาวายามะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสำ ม, มาวายามะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสา ม, มาสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนสติ ความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจําความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติพระละสัมมาสติในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตั้งอยู่แหง่งจิตความดํารงอยู่ความตั้งมัน่นความไม่ชัดสาย ความไม่ฟุ้งซ่านความที่คิดไม่ซัดสายสมถะสมาธินีสมาธิภละสมมาสมาธิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสมมาสมาธิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวะธรรมนี้ชื่อว่ามรรคมีองค์ห้าที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นพละเจ็ดที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนพละเจ็ดคือหนึ่งศรัทธาภละสองวิ ร, ยริยะภละ สสติพละสีสมาธิภละห้าปัญญาภละหกิริภละเจ็ดโอตปะภละศรัทธาภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความเชื่อกิริยาที่เชื่อความปรงใจเชื่อความเลื่อมใสยิ่งศรัทธาสทธินีศรัทธาภละในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าศรัทธาภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น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 สัมมาวายามะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิริยพละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสติพละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินรีสติพละสัมมาสติในสมัยนั้นน้ชื่อว่า สติพละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสมาธิะละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ชัดายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ชัดายสมถทสมาธินสีสมาธิพละสำมาสมาธิในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสมาธิะละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น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 นี้ชื่อว่าปัญญาภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นหิริภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนกิริยาที่ละอายต่อการประพฤติชัจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอายกิริยาที่ละอายต่อการประกอบสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าหิริภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นโอตปะภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน กิริยาที่เกรงกลัวต่อการประพฤติจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัวกิริยาที่เกรงกลัวต่อการประกอบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าโอตปะภะะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าภะเจตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเหตุสามที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนเหตุสามคือหนึ่งอโลภะสองอโทสะ สอโมหะอโลภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้ <digits> vale VER นเป็นไนความไม่โลภกิริยาที่ไม่โลภภาวะที่ไม่โลภความไม่กำหนัดกิริยาที่ไม่กำหนัดภาวะที่ไม่กำหนัดความไม่เพ่งเล็งกุศลมูลคืออโลภะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอโลภะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอะโทสะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความไม่คิดประทุษร้าย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 ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิปุรลมูลคืออมโมหะในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าอมโมหะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเหตุสามที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นภาษาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความกระทบ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 นี้ชื่อว่าเวทนาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัญญาหนึ่งที่เ ก, กิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัญญาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเจตนาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจในสมัยนั้น นี้ชื่อว่าเจตนาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจิตหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนจิตมโนโมานัตหาไทยปันระมโนโมานายตนะมนินสีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิ ญ, ญญาณท่าที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเวทนาขันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน ความสําราญทางใจความสุขทางใจความสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสคิริยาสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเวทนาขันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัญญาขันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความจําได้ค <ต tongue. S 2> ิริยาที่จําได้ภาวะที่จําได้ในสมัยนั้น นี้ชื่อว่าสัญญาขันธ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสังขารขันธ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉ น, นผัสสะเจตนาวิตกวิจารณ์ปีติเฮลกคตาสตินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินีปัญญินสีชีวิตินรียสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ สัทธาภละวิรยิยะภะลสติภละสมาธิภละปัญญาภละขิริภะละโอตปะภละอโลภะอโทสะอโมหะอนัปจชาอพยบาทสัมาทิฏฐิขิริโอตปะกายปัสสถิจิตตปัสสถิกายละหุตาจิตละหุตากายมุทุตาจิตมุทุตากายกรมมัญญตา จิตตะกรมัญญาตากายปาคุณญตาจิตตปาคุณญาต า, ต า, ก, ญญ า, ตากายุชุ ก, กตาจิตตุชุกตาสติสัมปชัญญะสมถะวิปัสนาปะคาหะและอวิเสปะหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งอิงอาศัยกเกิดขึ้นแม่อื่นในสมัยนั้นเว้นเวทนาขันสัญญาขันและวิญญาณขันนี้ชื่อว่า สังขารขันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นวิญญาณขันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนจิตมโนมานัตหาไทยปันระมะโนมนายตนะมะนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขันและมะโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิญญาณขันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมนายตนะหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน จิตมโนโมานัตหาไทยปันระมโนโมนายตนะมนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขัน์และมโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามนายตนะหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมนินทรีหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนะจิตมนโนมานัตหาไทยปันระมนโนมนายตนะ มนินีสีวิญญาณวิญญาณขันธ์และม โ, โนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่ามณินีีหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นม โ, โนวิญญาณธาตุหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนจิตมโนมานัตละถึงมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าม โ, โนวิญญาณธาตุหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น